หลังจากที่พระผู้มีพระภาคดับขันทัปปรินินพานเนี่ยนะซึ่งก่อนจะสว่างกล่าวว่าประมาณสักท่าพูดแบบเราก็คือสักตีสา 4, ช่วงนั้นนะ่ะที่พระผู้มีพระภาคดับขันทัปปริเนพานซึ่งเหลือเวลาสักครู่หนึ่งกล่าว่าชั่วระยะหนึ่งก็จะสว่างขึ้นก่อนที่ฟ้าจะสางก่อนที่จะสว่าง ทั้งพระอานน์และพระอนุรุทธะนั้นช่วยการแสดงธรรมมิกราช่วยกันประกาศธรรมะให้กับพระพิสุทั้งหลายและก็พุทธบริษัทที่อยู่ณนะบริเวณ น, นั้นได้ฟังกันในหน้า445บทว่าธรรมมิกรทายะเนี่ยนะก็คือธรรมมกถาที่แยกออกเป็นอย่างอื่นไม่มีเรื่องอื่นพิเศษหรอ ก, รอกแต่หมายถึงธรรมมกถาที่กล่าวถึงมรณะ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 กำหนดรอบรู้ในกองทุกละสมุทัยเป็นผลของการบำเพ็ญภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างถูกต้องอถูกวิธีซึ่งก่อนจะตายนั้นท่านก็ทํากิจสําเร็จเหมือนการทิ้งสริระพระองค์บอกว่าเป็นการทิ้งสรีระครั้งสุดท้ายของพระองค์เหมือนการตายของพระองค์ถือว่าเป็นการตายที่มีอยู่ในครั้งสุดท้ายพาะะนันต่อไปจะไม่มีคําว่าตายอีกต่อไปเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เรียกว่าอมะตะธรรม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 สมัยนั้นพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราประชุมกันอยู่ที่สันทาคารด้วยเรื่องพระรนิพพานคือเรื่องปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือเขากําลังเข้าสภากันอยู่นะเปิดสภาใหญ่ประชุมกันดดินเที่ยงคืนเลยนะก็คือจะว่าเราจะทําอะไรกันอธิบายว่าพวกเจ้ามัลละเหล่านั้นเนี่ยนะจัดสักการะดอกไม้ของหอมว่า ถ้าปริณิพานเนี่ยเตียงที่ปริณิพานต้องจัดดอกไม้อย่างไรพระภิสุสงฆ์จะต้องจัดอย่างไรแล้วก็เรื่องอาหารขาชนียาโภชนียอาหารใครรับผิดชอบอเรื่องสเสบียงก็เรียกว่าจัดแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทานหันเพราะพระองค์ไม่ได้เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าพระองค์จะมาปริณิพานที่นี่ซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่กระทานหันพอสมควรก็เลยมีการประชุม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 นับถือบูชาพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรําขับร้องประโคมถวายดอกไม้ถวายของหอมดาดคิดว่าดาษเพดานผ้าตกแต่งเป็นโรงโรงมนทนก็คือโรงกลมอย่างวันและวันให้ล่วงไปด้วยอาการอย่างนี้เพราะวั น, วนทั้งวันแต่ละวันเนี่ยจัดการบูชาพระศรีระอย่างเดียวเจ้าเมาละมีพระดําเริว่าการถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้หมดเวลาเสียแล้ว คือที่แรกก็ตั้งใจเ อ, อวันนี้เนี่ยได้ถวายพระเพลิงพระองค์ก็อินเดียเนี่ยจะไม่มีประเพณีแบบคล้ายๆบ้านเราเป็นต้นที่ว่ามาสวดมาอะไรแบบนี้ไม่มีพิธีกรรมแบบแบบบ้านเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตายเชาวเอาไปชา้าตายสายเอาไปสายโดยมากไม่เกิน24ชั่วโมงต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝังเอาไปอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนั้นเขาก็บอกเอาเดี๋ยววันนี้ที่จริงก็คิดไว้ว่าวันนี้แหละจะถวายพระเพลิงพระผู้มีพระภาคแล้วล่ะ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 ผ่านไปหวันนะทำบุญพุทธบูชาพระศรีระเนี่ยนะหวันเต็มเตมครั้นถึงวันที่7พวกเจ้ามาละเมืองกุสินารามีพระดําริว่าพวกเราจากสักการะเคารพนับถือบูชาพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรําขับร้องประโคมและก็ถวายดอกไม้ของหอมเป็นต้นนะเมื่อทําเสร็จแล้วก็จักอัญเชิญพระศรีระของพระองค์ไปทางทักษิณแห่งประตู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 แล้วก็ยังแข็งแรงเยนะให้ทั้งให้ทั้งองค์นั่นแหละสงกล้าวแล้วก็นุ่งผ้าใหม่ด้วยดำริว่าทั้ง8ดท่านนี่แหละจกยกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งใจจะยกแต่ก็ไม่สามารถจะยกพระสรีระขึ้นได้เจ้ามาละกรุงกุสินาราก็ได้ถามท่านท่านอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะเพราะเหตุไรเนาะอะไรหนอะเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยมละปาโมก8ดองค์นี้ผู้ทรงสงกล้าว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 มนุษย์ทั้งหลายเจ้ามาละทั้งหลายคิดไว้ทางทิศใต้อ่นะพวกโหราจาร์ทั้งหลายก็บอกทิศใต้เถอะเทวดาบอกโน่นแหะทิศเหนืออย่าลืมว่าทิศเหนือเนี่ยหมายถึงอุตตรทิทศอุดรเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยนะเป็นทิศของความหลุดพ้นแล้วเป็นทิศของผู้ที่เรียกว่าพ้นเป็นทิศที่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอัญเชิญไปทางทิศเหนืออ่นะในทางประตูด้านทิศเหนือของนครเสร็จแล้วก็เชิญไปท่ามกลางนครแล้วก็หมายความว่า เอาไปเข้าประตูด้านทิศเหนือเข้ามากลางเมืองแล้วก็จากกลางเมืองเนี่ยเข้าไปดางทิศบุรพาคือทิศ ต, ตะวันออกแล้วก็ถวายพระเพลิงพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มกุฏพันธนะเจดีย์ของพวกเจ้ามาละทางทิศบุรพาแห่งพระนครก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์ที่เราไปกราบไปไหว้กันมาเนี่ยนะซึ่งเจ้ามาละก็กล่าวว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถอ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 เรีว่าเป็นสถานที่ตกแต่งพระส리ระเลยนะมันจะมีการเที่ยวจะมีการอะไรสักอย่างหนึ่งะเป็นสถานที่เรียกว่าตกแต่งร่างกายอย่างดีเลยนะแล้วก็ที่นั่นอ่ะจะมีเจดีที่เรียกว่าสร้างไว้อย่างสวยงามมากเลยนะเหมือนกับว่าเป็นวังอีกวังหนึ่งซึ่งเทวดาต้องการให้ไปถวายพระเพลิงพระสริระพระผู้มีพระภาคณนฐะาสถานที่แห่งนั้นทีนี้สมัยนั้นเมืองกุสินาราเนี่ยดาราดาดไปด้วยดอกมณฑารบ โดยท่องแถวประมาณแค่เพียงเขา่าตลอดจนที่ต่อแห่งเรือนบ่อโศโครกและกองหยาดเยื่อแสดงว่าสถานที่ทั้งหมดของเมืองเนี่ยนะตรงไหนที่เคยสกปรกที่เละเทอะอะไรเนี่ยดอกไม้กลบไว้หมดเลยเนี่ยนะดอกไม้กลบเมืองเพราะงั้นอนะ่ะดอกไม้กลบเมืองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่โศโครกบ่อน้ําครามที่ไหนมีคโคลนมีตมมีอะไรเป็นต้นเนี่ยดอกไม้อันเป็นทิพย์กลบหมดเลยเนี่ยนะ